วันนี้ก็มีกลุ่มแกเปลอมเข้มเริ่มทยอยกันมาจากภูเก็ตพวกกลุ่มหมอภูเก็ต ก, กลุ่มศิลัชชาชนบุรีกลุ่มหนองบุรลำโพลรวมกันธัรเจีนแล้วกลุ่มเรลาการสังคมแห่งชาติประกันสุขภาพแห่งชาตินะเรียกไม่ค่อยถูกประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะกลับในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะแล้วก็มีประสบการณ์การปฏิบัติมาวันนี้ ทั้งวันเต็มๆเลยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ใอาจารย์ว่าใจได้เทศพุทธธรรมะเราเรียนวันนี้ท่านก็กุกกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่แถวๆนะี้เก็บขยะเราก็ปฏิบัติธรรมกันทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบนะเดี๋ยวว่าท่านก็บวชมาก็หลายภาษาละนะมาจากธรรมยุทธแล้วก็มาอยู่กันที่นีนะ่ก็งอกงามอยู่ที่นี่แล้ว แล้วก็เกนือกาสได้ไปตามกิจ น, นิมนต์ต่างๆตัวๆไปที่มีการจัด้อรปฏิบัติอยู่เป็นครั้งกลา่าวนะเดี๋ยววันนี้กล่นิมนต์ท่านจารวัชยได้พุทธามาสู่ฟังครับผมนิมนต์ครับขอน้อมขอน้อมน้อมต่อคุณพระรัตน์ไตรขอกาพพระอาจารย์ทรงศิลเพื่อนสัทธมิกุท่าน จเจริญธรรมไม่ที้และญาติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็มีทั้งกลุ่มที่จะกลับพุ่งนี้เนาะแล้วก็กลุ่มที่จะมาะปฏิบัติทำเข้ม9วันครั้นี้ที่เรามาปฏิบัตินี่เพื่ออะไรเข้าใจไหมประการแรกนี่เราเพื่อให้เราพ้นทุกนั่นเองน ะ, ะเพราะว่าถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยในพุทธศาสนานี้ไม่ได้มีอะไรเยอะ แปดนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็สรุปลงบ้าให้รู้จักทุกข์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความดับทุกขเท่านั้นเองนะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจภาษาหนานะจริงๆก็คือเราต้องเข้าใจทุกขในตรงนี้ก่อนนะทุกเราก็จะเห็นว่าเออมีอะไรก็มีความทุกกายทุกใจนั่นแหละ ความทุกข์กายก็ในความที่เราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายนะเป็นธรรมดาเราเลี่ยงไม่ได้แล้วนะ้ะวก็มีความทุกข์จรใหม่ต่างหากนะความหิวนะบางท่านก็เริ่มจะหิวแล้วนะไม่เคยทานอดข้าวเย็นนะบางท่านก็เริ่มอดข้าวเย็นกันนะบางตอนนี้บางบางท่านก็เริ่มจะปวดเมื่อยนะทำวัดเย็นมานั่งมานานๆก็เริ่มจะเมื่อยนะ ของท่านอาจจะเริ่มหนาวเริ่มร้อนต่างๆแล้วเนี่ยก็เป็นอาการที่จอดมาทางนั้นนะการที่จอดมานี่เราก็แก้ได้ชั่วคราวเท่านั้นก็ยังหิวแล้วก็ไปทานอาหาราเดี๋ยวก็เราไปทานใหม่นะเพราะว่ามันหิวแล้วก็กลับมาอิ่มแล้วก็กลับมาหิวอีกเมื่อยก็เหมือนกันเราเปลี่ยนเดี๋ยวก็กลับมาเออสักพักนึงหายเมื่อยก็กลับมาเมื่อยต่อใช่ไหมง่วงนอนไปนอนก็พักหนึ่งเออตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ง่วงต่ออีกก็คือมันมันแก้ถาวรไม่ได้หรอก มันแก้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นนะหรือบรรเทาทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ทางกายเนี่ยจริงๆแล้วแก้ไม่ได้เนะาะเมื่อกำลังที่เราก็เข้าลงพยาบานเนี่ยรักษาเออไปมาเลงรักษากลับมาหายมันก็ไม่ใช่ว่าหายถาวร น, นะอาจจะเป็นโรคอื่นต่อยก็ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ว่ามันหายทีเดียวนะเพราะฉะนั้นความทุกข์กายเนี่ยมันรักษาจริงๆมันรักษาไม่ได้แล้วให้หายถาวรก็ไม่ได้ด้วยนะแต่ความทุกข์ใจเนี่ยเขาเรียกว่ามันอันตรายยิ่งกว่าทุกข์กายนะทุกข์ใจเนี่ย คนที่ฆ่าตัวตายในประมาณเก็นะกิจากความทุกข์ใจนะเศรษฐีต่างๆก็ฆ่าตัวตายต้งเยอะนะตามเมืองที่จเจริญ อ, อเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยคนรวยๆฆ่าตัวตายกันเยอะปีละสา0 0 0ืนกะว่าคนนะสำหรับญี่ปุ่นนะเพราะเป็นความทุกข์ใจนี่มันอะันตรายกว่านะแล้วความทุกข์ใจมันก็รุนแรงกว่าด้วยนะอย่างที่ว่านั่นะแหละความรักความชางังความเกลียดความโกรธนะเกิดขึ้นมาจากกลับใครแล้วมันก็ทุกข์มากใช่ไหม แต่จริงๆไล่วความทุกข์ใจเนี่ยมันแรงกว่าแต่มันกลับหายได้ถาวรนะก็คือมันดับได้ถาวรเลยก็คือมันสามารถดับทุกข์ใจเนี่ยได้ถาวรเหมือนอย่างเช่นพระละหันนี่แหละพระละหันท่านก็มีความทุกข์ทางกายเป็นธรรมดานะแต่ความทุกข์ทางใจของท่านเนี่ยไม่มีแล้วนะคือใครละกิเลสได้อะมากเท่าไหร่ความทุกข์ใจก็น้อยลงไปเท่านั้นได้ไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วความทุกข์ใจเนี่ยเราดับได้นะ เพราการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะที่เรามาปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็คือเราจะดับความทุกข์ใจนั่นเองเนาะเถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นลงเยอะนะครั้งนี้ยเราความทุกข์ใจเนี่ยเรารู้ว่ามันดับได้แล้วแล้วเราจะดับได้อย่างไรนะนอกจากความทุกข์ใจนี่มันต้องว่ายาวไป น, นิดนึงว่าจริงๆแล้วความทุกข์ที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือทุกข์ในภยัยในวัฏสงสารนั่นเองเนาะ คือในชาติเนี่ยเรายังไม่หมดความทุกข์ใจเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกนะด้วยอกิเลส ท, ที่เรามีในใจเรานี่แหละอาจจะชักนําให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับพ บ, น, บนับชาติไม่ท่วนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดับความทุกข์ใจได้ในชาตินี้นะชาติหน้าเราก็ไม่ไปทุกข์อีกไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปตรงนี้ได้เลยว่า เ, ออเราเห็นความทุกข์ไหมนะอ เพราะนั้นเมื่อเราเห็นความทุกข์แล้วเราจึงมาปฏิบัติทุกข์ความดับทุกข์กันนะเพราะฉะนั้นใครที่มาปฏิบัติ9วันหรือที่จะกลับในวันพรุ่งนี้ก็คือเราเข้าใจในตรงนี้ว่าเราอามาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ทางใจเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นตีกรอบได้ง่ายขึ้นนะตีกรอบได้ง่ายขึ้ น, นแล้วคราวนี้การปฏิบัติเนี่ยมันยังไงนะเราต้องทำให้จิตมันสงบไหม จริงๆแล้วไม่มีใครทำให้จิตสงบได้หรอกมีแต่ไปกดข่มเขาไว้เท่านั้นเองนะบังคับเขาไว้ได้ชั่วคราวเท่านั้นนะทำจิตให้สงบให้นิ่งๆอ่ะริงๆก็บังคับได้ชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ฟุ้งซ่านต่ออาจจะฟุ้งซ่านหนักกว่าเก่าอีกนะเพราะฉนั้นอันนั้นก็เลยว่าเออถ้าเราตั้งใจให้สงบนี้เราจะไม่เข้าใจว่าเจริญสติ ค, คืออะไรนะคราวนี้การเจริญสติก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงนั่นเองจะสงบไม่สงบก็ไม่เป็นไร มันก็เป็นธรรมชาติของจิตจริงๆนะที่ว่าเราจะมาศึกษากันนะแต่ถ้าเราตั้งใจว่าเออเรามาปฏิบัติเพื่อจิตสงบนะนี่เราไปเริ่มบังคับเขาแล้วเนะี่ยพอเราเริ่มบังคับนี่มันอะไรมันก็ทุกข์อีกแล้วนะนี่เราจะมาไปบัติเพื่อให้มันทุกข์น้อยก็ไปมีความทุกข์อีกเออ็เราต้องมาให้มันไม่คิดนะให้มันสงบนะมันก็เริ่มต้นต่าละด้วยความทุกข์แล้วนะแต่ถ้าเราสามารถรู้ไปตามความเป็นจริงได้ไหมนะ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเขาจะคิดเขาจะไม่สงบก็ไม่เป็นไรนะหลวงปู่เทียมบอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้นั่นเองนะความหมายว่ายิ่งหลงก็ยิ่งรู้นั่นแหละเราคิดไปลอยครั้งนะเรารู้สัก90้าสิครั้งโอ้หลวงปู่เทียมเขาเก่งนะเก่งมากนะแต่ถ้าเราไม่คิดเลยเลยนะอันนั้นมันกลับกลายว่าเราตัวสติมันจะน้อยลงนะเพราะจิตมันไม่ได้ทํางานไม่ได้ไปเห็นความคิดนะาบางทีเรา ทำมาแล้วก็จิตสงบนิ่งดีจังเลยก็ไปติดตัวสงบอีกนะก็เลยกลายไปเราไปติดนิ่งนิ่งสงบไปนะอันนี้ก็ไม่ใช่แนวทางของวิธีการเจริญสติเนี่ยเพราะนั้นเราต้องวางประเด็นในถูกว่าเราไม่ได้มาเอาความสงบนะพอเราจะเอ า, เอาความสงบเราก็เริ่มทุกข์แล้วละ่ะเพรอความสงบมันก็ไม่เที่ยงอีกใช่ไหมแต่เราเอารู้ตามความเป็นจริงดีกว่าเนาะเขาสงบไม่สงบก็ไม่เป็นไรเขาคิดไม่คิดก็ไม่เป็นไรอีกใช่ไหมแต่เรา สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนี้ในกายและใ น, ในใจของเรานั่นเองนะรู้ไปตามความเป็นจริงนี่แหล ะ, ะเพราะฉะนั้นการเจริญสติ uh, ก็คือเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง uh, ในขณะปัจจุบันนะเช่นตอนนี้เรานั่งอยู่ในเรารู้ไหมขณะเรานั่งเนอะเรายืนเรารู้ไหมเราเดินรเร า, นนนารู้ไหมเรานอนเรารู้ไหมอันนี้เรารู้ตามความเป็นจริงในขณะนี้ใช่ไหม หรือตอนนี้เรายกมือไส้ ย, ยังหวะเรารู้ไหมหรือบางคนกร ะ, กะดิกนิ้วอยู่เรารู้ไหมใช่ไหมบางคนนั่งพ ب, ั ก, กเพียบนะเรารู้ไหมขณะนี้กําลังนั่งพักเพียบหรือเรานั่งในท่าไหนเ อ, อเอียงซ้ายเอียงขวาเรารู้ไหมเราหันซ้ายหันขวาเรารู้ไหมนี่ก็คือรู้ไปตามความเป็นจริงที่เขาเกิดขึ้นนั่นเองนะเราไม่ได้ไปคอยกดขม่มไม่ต้องนั่งนิ่งๆไม่กระดุกระดิกเลยนะอันนั้นก็ไปบังคับฝืนไปอีกก็คือรู้ไม่ตามความเป็นจริง ขณะนี้เราอาจจะคิดแวบไปกลับไปที่บ้านเออเรารู้ทันไหมนะออขณะนี้เราอาจจะไม่พอใจเออพระพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยเรารู้ทันความไม่พอใจไหมนะเออหรือพระพูดดีนะเราพอใจเรารู้ทันความพอใจไหมอันนี้ก็คือความจริงในแต่ละขณะแต่ละหนะมันไม่ได้ว่าเออต้องไม่คิดอะไรเลยนะต้องอยู่นิ่งๆอันนั้นก็คือไปกดข่มไว้นะกดข่มในจริงๆก็คือไปบังคับเขาเนี่ยเขาเรียวกว่าเป็นสมถะ แล้วก็คือไปบังคับตามที่เราต้องการแต่ธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงก็คือเรารู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่อยากเขาเป็นตามที่เราต้องการนะเพราะทำไมที่แท้จริงก็คือเป็นตามที่เขาเป็นไม่ใช่เป็นตามที่เราต้องการนั่นเองนะถ้าเป็นตามเราต้องการก็เรียกเป็นสมถะหมดเลยนะแต่เรารู้ตามเขาเป็นนั่นแหละเราเห็นสภาวะที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนนี้เราเรียกว่าเป็นวิปัสสนาแล้วนะ เพราะเรารู้ตามที่เขาเป็นนั่นแหละรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นเองนะครั้นี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะอันนี้ก็ตามสติปัฏฐาน4ี่อันนี้เป็นเป็นวิธีการเรียกว่าเป็นทางสายเ อ, อ็ดที่พระเจ้าได้แสดงเอาไว้นะว่าเออถ้าบุตรผู้ใดปฏิบัติในสติปัฏฐาน4นี่แหละจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้นะอันนี้ก็มีมีเริ่มที่ต้นที่อาณาปานสติปัฏะ ก็คือการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ร um ู angi, K, ้ร like right ู nowadays, ้ได้ไหมถ้ารู Gimme, ้ได้ก็ใช้ได้แล้วนะแต่ไม่ใช่ว่ารู้เพื่อที่ให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอันนั้นก็กลายเป็นสมถะไปอีกนะมันก็ไม่ได้เป็นสติคนอนาปนาสติก็คือมีสติในการรู้ลมหายใจลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้นะอันนี้ถ้าผู้ใดทาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะ ถ้าบูรย์ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรองนะเพราะนาปัญสติจริงๆก็ทํายากอยู่น ะ, ะสนมมติว่าเร า, เราตั้งใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเพกไปจ้องเออคอยรู้ลมนะพอคอยตั้งใจรู้เนี่ยจิตก็เริ่มจะแข็งนะเริ่มจะผิดปกติกันทีนะะพอตั้งใจรู้ลมนี่มันก็เลยหมุนหัวไปเลยนะมันทำไปทำมา ก, ก, กลายเป็นความเครียดอีกนะแต่ถ้าใครที่ทําแล้วเออสบายๆแล้อรู้แบบธรรมชาติก็ไม่เป็นไรถือว่าทําได้ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งดีนะ แต่ถ้าใครที่ทํานาบนบรรณสติไม่ได้เนี่ยก็มีสิ่งที่ง่ายกว่านั้นอีกสิ่งที่ง่ายแม้พระเจ้าก็ตัดต่อมาว่าก็คืออริบทบัพระนั่นเองนะอริบทบัพระคือรู้ในอิบทใหญ่การยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็ให้รู้ทันเขณะนี้นะเรากําลังยืนอยู่ขณะนี้กำลังนั่งอยู่ขณะนี้กําลังนอนอยู่รู้ทันในสิ่งเหล่านี้นะในสมัยพุทธกาลนะก็มีพราหมณ์พราหมณ์ถามพระเจ้าว่า ท่านปฏิบัติได้อย่างไรนะถึงความพ้นทุกได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่าตถาคตนะยืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รูนะ้ยืนเดินนั่งนอนรู้นะก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้นะ่ะยืนเดินนั่งนอนพราหมก็เลยหัวเราะเยาะ บ, บอกว่าเอ อ, อยางงั้นใครๆก็รู้นะชาบ้านก็รู้ยืนเดินนั่งนอนเขาก็รู้เขาก็รู้ก็นั่งนั้งนอนลับ แต่พระเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกันต่ขาคตยืนก็รู้กําลังยืนนะเดินก็รู้กาลังเดินนั่งก็รู้กาลังนั่งนอนก็รู้ว่ากําลังนอนในนี้ชาวบ้านรู้ไหมบอกชาวบ้านก็ไม่รู้อบบนั้นหรอกนะเ <K l ug> พราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันธรรมดานะัอันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วมันทำคนทุกได้ใช่ไหอไม่ใช่ว่าชาวบ้านก็ทำได้ทุกคนหรอกใช่ไหมแต่มันก็ไม่ยากก็คือชาวบ้านเนี่ยทำได้แต่ว่าชาวบ้านไม่รู้ว่า วิธีเดินยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นวิธีการที่จะเจริญทุกข์ได้นั่นเองใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ขณะนี้กาลังทําอะไรอยู่เราก็เลยหลงไปอ่ไม่รู้กําลังนั่งอยู่นะใช่ไหมเราก็เลยหลงไปแล้วใช่ไหมก็คือไม่รู้ขณะนี้กายกําลังทําอะไรในปัจจุบนันนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกเอย่ยืนเดินนั่งนอนนี่บางทีเราเดินจงกรมนี่ก็ถือว่าถูกแล้วนะถูกแล้วนะไม่ผิดหลอกมาเทิร์นหน้าถอยหลังนี่ก็คือวิธีการอย่างที่ว่านั่นแหละอ่รู้บทใหญ่ใช่ไหมต่อมาก็ให้รู้ใน สมามัญญาแบบพระสมามัญญาแบบพระก็คือการรู้อาการย่อยๆทั้งหลายนะเช่นก้มเงยนะเหยียดแขนคู้แขนนะเหลยวซ้ายแลงขวานะเดินหน้าถอยหลังนะอุจจาะปัสาวะนะทั้งหลายเหล่านี้อ่นะก็คือการรู้ในบทย่อยต่างๆนั่นเองนะนะนอกจากบทใหญ่ก็อีบทย่อยทั้งหลายแหลนะแม้แต่กะพิบตาเหลวซ้ายแลงขวาต่าง ๆ, างๆก็อีบทย่อยทั้งหมดนะ ดืมตาปากทั้งหลายแห ล, ะนะล่นั่นแหละเราก็รู้ไปในอบทย่อยทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าให้มาอีกนะต่อจากว่าเออถ้าเราอาณาปานาสติเนี่ยเราอาจจะทําไม่ได้ก็ทําในสิ่งเหล่านี้ น, นั่นแหละอยยืนเดินนั่งนอนนะคู่แขนเหยียดแขนทั้งหลายเราเนี่ยเป็นอิป ท, ที่เราทำได้หมดเลยใช่ไหมมันไม่ผิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามาสร้างยังหวะเออยกแขนนะยกแขนไปยกแขนมาเอาแขนมาวายข้างล่างยกขึ้นข้างบน มากระทบหน้าอกอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเพราะเป็นวิธีการที่พระเจ้าได้บอกไว้แล้วว่าเป็นอิบทย่อยนะคู่แขนเหยียดแขนนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นใครดีสงสัยวิธีการบัตรเออนี่ถูกไหมทําไมที่ไม่มีใครก็ทํากันจะถูกตามพระใจบิด ก, ก็ขอยืนยันว่าถูกแน่นอนร้อนะเพราะเรารู้ในบทย่อยนั่นเองนะอิบทย่อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเราเราสามารถตามรู้ได้ใช่ไหมคราวนี้อิบทย่อยเนี่ยมันสําคัญมากเลยถ้าเรารู้อิบทย่อยนี่แหละ ในการที่ว่าเราอาศัยการสร้างยังบะไปก่อน14บสืบยังบะเนี่ยเรารู้การคู่แขนเหยีดขนไปเรื่อยๆเนี่ยอีกหน่อยพอเราไปทําอย่างอื่นน ะ, ะเราทําอื่นมันก็มันก็เลยรู้ไปหมดไงอ่าเราไปเข้าห้องน้ำนะเราแปลงฟันเราก็สามารถรู้ได้เพราะมันก็เป็นการขยับแขนเหมือนกันใช่ไหมอ่าเราอาบน้ํามันก็เป็นคู่แขนเหยีดแขนเหมือ น, นกันนั่นละยกขันขึ้นมาสักสะอาดอะไรมันก็เป็นการคู่แขนเหยีดแขนนั้นหมดใช่ไหมไปซักผ้าก็คู่แขนเหยียดขนเหมือนกันใช่ไหม กวาดบ้านก็คู่แขนเหยียดแขนทั้งหมดนั่นแหละเมื่อเราเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวในใช้แขนเป็นหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะตามรู้ในการเคลื่อนไหวเราเนี่ยได้พอตามรู้เทคนิคมันมีความเคยชินมีความชานาญในการรับรู้การเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยอีกน้อยมันก็รับรู้ได้ตลอดนะอ่ามันจะนอกรูปแบบมันก็สามารถทําได้หมดมันกลายว่าเออเราชีวิตเรามีความสุขไปเลยนะมันไม่ใช่ว่าเรา อ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นนักทํางานแล้วไม่ได้เป็นผู้ที่ว่าเราว่างงานให่มันเราต้องอยู่ทํางานตามเที่ยต่างอ่าเป็นนักธุรกิจบ้างเป็นครูเป็นพ่อค้าอ่าเป็นรัฐราคารายการาต่างๆนะเยอะแยะนะเราไม่มีเวลาไปวัดเราบอกว่าเออมาวัดได้ไหมไม่มีเวลามาแต่เราไม่เสียเปรียบพระนะไม่เสียเปรียบผู้ที่อยู่วัดหรอกถ้าเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติจริงๆว่าเราสามารถทําได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะอะ่อย่างสมัยก่อนเมื่อทักห้าหกสิปีก่อนนี่ คำไมเจริญสตินี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยนะเป็นคำใหม่โอะมันอะไรเจริญสติไม่รู้เรื่องมีแต่ว่าเออมาแนละ้วนั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มัน่นกาหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือไม่ก็ไปกรรมพุโทโธให้จิตสงบนิ่งไม่คิดอะไรให้จิตเป็น ก, กับตาลมจิตเป็นหนึ่ง ติดเข้าถึงจตุรชาณ น, นะอัปปนาชาณ์อัปปนาสมาธิเรามาพิจารณากายกันเป็นหลักพิจารณากายเป็นอสุภาพบ้างเป็นปฏิกูลสัญญาบ้างเป็นธาตุสีบ้างเนี่ยสมัยเมื่อห้าหกสิปีก่อนเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยคน <c oughs> ใครที่จะทําอย่างนี้นะ <c oughs> มันจะแทบจะทําที่บ้านไม่ได้เลยเพราะที่บ้านไม่มีความสงบพอเนาอที่บ้านเอาแล้วเดี๋ยวคุยกันเพื่อนบ้านคุยการเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์เสียงดัง เอออุสตสาหนี้ไม่ห้องแอร์ยังมีรถลนวิ่งเสียงดังรบกวนความสงบอกีกใช่ไหมมันจะหาความสงบไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาไม่ก็ไปอยู่วัดตามอยู่วัดป่าต่างๆวัดบ้านก็อยู่ไม่ได้อีกนะเพราะเสียงบรบกวนแล้วเราจะมีเวลาไปบัดได้อย่างไรนะในสมัยนี้นะแต่พอระยะห้ิบปีมานี้นะหลังจากนี้มันคําว่าเจริญสติเป็นคําใหม่เป็นคําทันสมัยมากเป็นคําที่โอ้ถ้าใครบอกว่าเจริญสติแล้วไม่รู้ว่าคํานี้หมายความอะไรนี่เป็นคนเชยแล้วนะ การเจริญสติกายเป็นคําใหม่ซึ่งมีความทันสมัยนะทันสมัยเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะเราอยู่ที่ทํางานก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องไปอยู่บ้านเราที่ทํางานแล้วก็ไปบัติได้เจ้านายก็ไม่รู้นะเจ้านายเขไม่รู้เราปฏิบัติธรรมเพราะว่าอะไรเพราะเราอยู่กับปัจจุบันในกายเคลื่อนไหวต่างๆได้นั่นเองนะเนี่ยบางทีเรา งานที่มันไม่ต้องคิดเยอะใช่ไหม เ, เราก็อาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีใครรู้เราไปบัดทำหรอกใช่ไหมยิ่งทํา ง, งานที่ต้องเดินไปเดินมายิ่งสบายเยอะลยไปบัดทับในทั้งวันเลยาใครเดินจงกรมเป็น้ไม่รู้เราเดินยงกรมหรอกใช่ไหมเราเดินไปสบายเนี่แหละวมันถ้าไปบัดได้จริงๆนะอยู่ที่ทํางานก็ได้นะไปเที่ยวยังได้เลยนะไปห้างสสินค้าบิ๊กซีโลตัสแมคโครไม่มีใครรู้เราไปบัดทำนะเราเดินยงกรมไม่แหละอยู่ในห้างไม่มีใครรู้เราเดินยงกรมนะ แม้แต่เราหยิบสินค้ามาดูนะโอ้แปบ๊บราคาเท่าไหร่สบู่เท่าไหร่น ะ, ะไม่มีใครรู้นะนั่นคือการคู่แขนเหยียดแขนนั่นเองเนาะนั่นแหละคือการแบบทําแล้วนะเราเดินเนี่ยตัวใส่ใบใส่มาก็เป็นการแบบทำทั้งหมดเลยใช่ไหมอ่ก้มเงยเป็นการแบบทําทั้งหมดเลยนะอหยิบสินค้ามาดูเป็นการแบบทำทั้งหมดเลยเนะี่ยกรยับตัวนิดนึงรู้รู้อาการกายในปัจจุบันนะ กลมๆเงยๆรู้การเคลื่อนไหวรู้สบายๆเนี่ยโอ้สบายปฏิบัติธรรมในทั้งวันนะเพราะเราก็ไม่ได้เสียเปรียบพระหรือผู้มาอยู่วัดแต่อย่างใด น, นะเพราะคำว่าเจริญสติมันจะมีค่ามากสำหรัในยุคนี้ไงยุคสำหรับผู้ที่เรามีกิจวัตรเยอะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้แล้วอยู่ที่ไหนก็เราก็ทําได้หมดใช่ไหมขอให้เราทําให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะแต่คราวนี้เราจะทําถูกต้องได้อย่างไรนะก็คือประการแรกเราอย่างที่ว่าแล้วเราไม่ได้วความส ง, งบ เพราะเราไม่ได้ไปเพ่งนะไม่ต้องไปเพงนะ่ ง, เพงใส่มือเวลาเรายกมือนี่บางคนไม่รู้เต้องรู้ตลอดเวลานะรู้รู้ยาวๆเลยนะรู้ไม่ให้ขาดไม่แต่นิดเดียวแลนะก็เลยไปคอยเพง่งคอยบังคองไว้นั้นก็ไม่ถูกต้องอีกนะทำให้ร่างกายเป็นสมะถะไปนะคือคอยเพง่งให้เขาไปบังคับเขาหน่นเองให้จิตสงบอะไรทั้งหลายแหลเนี่แหละหรือเดินจงกรมก็เแมนการไปคอยเพง่งตลอดเวลาเลยให้เขาสงบไม่คิดไปไหนเลยอ น, นี่ก็ผิดอีกนะ มันก็กลายว่าเราไปตั้งใจบังคับเขานะครั้นี้ครูบาอาจารย์นั่นก็บอกว่าให้ให้ทำเล่นๆนะแต่ทําไปเรื่อยๆเขามากทำไปเนนะรืเ่อยๆก็คือทําให้ต่อเนื่องนั่นเองนะทำเล่นๆก็คือวางใจสบายๆไม่ไปบังคับเขานะไม่ไปบังคับเขาไม่ไม่ต้องรู้ยาวๆนะเป็นเหล็กเส้นหนะลวงวทีบอกว่าให้รู้ต่อเนื่องลูกโซ่ก็คือรู้สั้นๆก็พอแล้วนะรู้แล้ว จะทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ยังได้นะก็คือสักแต่ว่ารู้นั่นเองนะบางทีรู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็สักแต่ว่ารู้นะนะั่นแหละคือถ้าเราไม่ไปไประคองไม่ไปเพ่งมันก็เป็นการรู้เล่นๆอยู่แล้วนะมันก็รู้สั้นๆอยู่แล้วนะมันไม่ได้ว่าต้องรู้ยาวอะไรแต่ถ้าเรารู้ยาวไปเหล็กเส้นก็คือไปคอยประคองไว้ให้รู้ยาวๆรู้ตอนเนื่องกันนะนั่นก็ผิดแล้วนะมันก็ไม่ตรงกับวิธีการก็กลายเป็นสมถะไปอีกนะเพราะวิธีการวิปัสสนาอย่างที่หลวงพ่าเทียนบอกก็คืออ่าให้รู้ตอนมลูกโซ่ก็คือรู้ รู้แล้วก็สักแต่ว่ารู้นั่นเองเขาจะหลงไม่หลงก็ไม่เป็นไรอีกหลงไม่ก็ไม่เป็นไรหลงไม่เรารู้กลับมาก็เก่งนะเพราะฉนั้นอย่างที่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเออไปแล้วกลับมาได้ไหมกลับมาได้นั่นแหละแล้วก็เก่งแล้วนะความคิดเขาคิดไปก็ไม่เป็นไรคิดไปแล้วเรากลับมาได้ไหมใช่ไหมกลับมาเรากลับมาที่ไหนถ้าเราไม่ชานาญก็กลับมาที่ฐานกายนั่นเองนะกลับมารู้สึกตัวใหม่เอขณะนี้กําลังยกมือสร้างยังบะก็กลับมารู้การเคลื่อนไหวสร้างยังบะใหม่ ขณะนี้กลาลังเดินจงกรมก็กลับมารู้การเดินจงกรมใหม่แค่นี้เองกลับมาอยู่ฐานกายใช่ไหมแต่ผู้ที่ชํานาญแล้วก็ไม่เป็นไรกลับมาปุ๊บมันก็รู้แล้วเออเราก็กลับมากับในที่ตรงตั ว, ตวรู้นั่นหละก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมอันนี้เราก็สามารถที่จะอยู่กับอา่าตัวรู้ได้ตลอดเวลานะอาศัยฐานกายเนี่ยเป็นหลักฐานกายในการขึ้นไหวใช่ไหมคราวนี้ถ้านอกรูปแบบอา่าไปแล้วกลับมาย่งไรกลับมาก็อยู่ในขณะเราปัจจุบันนั่นแหละกําลังกินข้าวเออคิดไปกลับมารู้เออขณะกําลังเคี้ยวข้าวนะ นี่คือการกลับมาแล้วใช่ไหมเอ่อการแปลงฟันคิดก็ไม่เป็นไรกลับมารู้ดในการแปลงฟันใหม่นี่คือการกลับมาแล้วนะก็คือกลับมาที่ฐานกายนั่นเองไม่ได้กลับไปที่ไหนใช่ไหมคราวนีนะ้วิธีการที่ว่าอารมณ์ต่างๆหรื อ, อไรเกิดขึ้นนะเราต้องมีอารมณ์ทุกคนนะไม่มีใครไม่มีอารมณ์หรอกนะเพราะจิตมันต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องประกอบกับเขาอาจจะเรียกว่าเป็นเจตสิกก็ได้ใช่ไหมเมื่อมีจิตก็ต้องมีเจตสิกก็คือเมื่อมีจิตก็ต้องมีอารมณ์ อารมณ์นี้มันไม่เป็นของไม่ดีน ะ, ะครูบาอาจารย์บางทีบอกให้เราสังเกตเรามีอารมณ์อะไรไหมนะมีความโกรธไหมมีความรักความชังไหมใช่ไหมคือถ้าเราสังเกตได้ก็เราใช้ได้แล้วนะกลับมารู้มาสังเกตให้ได้เท่านั้นเองนะเราแค่เป็นผู้สังเกตเอขณะนี้เรากําลังรักกําลังชังกำลังโกรธกาลังเกลียดอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะมันไม่ต้องหมดไปหรอกใช่ไหมไม่ใช่เราปฏิบรรัติทำปุ๊บโอ้ปีหนึ่งนะกี่ล่ต้องลดไปไม่มีความโกรธแล้วนะ ไม่มีความรักความชังนะว่าไม่จะทําทได้ไหมมันมันจริงๆมันทําไม่ได้หรอกใช่ไหมให้ไปบัตรเป็นสิบปีมันยังทําไม่ได้เลยอ่าไม่มีความโกรธความรักความชังมันทําไม่ได้ใช่ไหมบางคนตลอดชีวิตมันก็ยังทําไม่ได้เลยใช่ไหมมีแต่ว่าอะไรนะมีแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันเขาเท่านั้นเองนะเราบอกว่าเราจะละความโกรธมันจะละได้ไงตอนนี้เราไม่มีความโกรธจะไปละอะไรล่ะใช่ไหมก็ต้องรอเขาเกิดขึ้นก่อนเออมีความโกรธเกิดขึ้นก่อนนะอ่า แล้วเราก็รู้รู้ทันในขณะนี้กำลังโกรธแล้วนะคราวนี้รู้ทันแล้วมันจะทํำยังไงต่อรู้ทันแล้วโอ้ต้องดับความโกรธเดี๋ยวนี้โกรธเนาะโกรธเนาอให้มันหายโกรธเร็วๆต้องโกรธเนาะให้มันหายโกรธเร็วๆนะะอันนี้เราก็ไปแทรกแซงเขาอีกนะอันนี้เรียกว่าเราไปกดขมไปบังคับเขาให้หมดความโกรธอย่างรวดเร็วอันนี้มันเป็นกิเลสทั้งนั้นนะมันเกิดเป็นปัญหาน่ะงั้นอันนี้มันก็ไม่ถูกอีกนะคราวนี้เมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีความโกรธปั๊บจะทํำยังไงก็คือ รู้เฉยๆนั่นเองนะวิธีรู้เฉยๆนี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะหลง ท, ى, ทียบอกเทคนิคประกยนิสสอก็คือรู้เฉยๆนั่นเองรู้เฉยๆก็คือจริงๆแล้วมันรู้ทางกายด้วยแล้วรู้ทางใจได้ด้วยทางใจก็คืออารมณ์ท้งใจเกิดขึ้นนะเรารู้เฉยๆก็พอแล้วนะรู้เฉยๆก็คือการไม่ค่ากับเขาเช่นใครเข้ามาด่าเรานะถ้าเรารู้เฉยๆแล้วไม่ไปคิดตอ่อว่าเข้ามาด่าเรามันก็ไม่โกรธนะมันก็ไม่โกรธหรอกเราก็ แค่เข้ามาด่าเราถ้าเราไม่คิดต่อก็ไม่โกรธเรามันเป็นการรู้เฉยแต่เราเข้ามาด่าเราไปคิดต่อเออมาด่าเราทําไมเรื่องแค่นี้ทำไมต้องมาด่าเรานะหรือไมร่รู้หรือว่าเราเป็นใครนะไม่รู้เลยเรามีบุญคุณกับเขาอะไรแล้วก็โกรธทันทีเลย่นะเพราะเราไม่ได้รู้เฉยๆนั่นเราไปคิดต่อนะไปคิดต่อเมื่อมีความคิดต่อในแวบหนึ่งเท่านั้นเองมันเข้าสู่ความคิดทันทีแล้วนะมันจะยืดไปเลยนั่นเราก็คือการที่เราให้ค่ากับเขาแล้วแล้วเราก็ไม่ได้รู้เฉยๆ เนี่ยเข้ามารู้เฉยๆนี่มันมันเป็นประเด็นสําคัญในการเจริญสติมากเลยนะแม้แต่เรายกมือสร้างยังวะทั้งหลายแหละก็รู้ลยเฉยๆเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้หวังต้องได้อะไระยกไปแล้วต้องได้อะไรเดินไปห้าชั่วโมงต้องได้อะไรนั่งไปสาชั่วโมงต้องได้อะไรมันไม่ยังเป็นต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ง่ายที่จะไม่กลายเป็นลู้เฉยๆนะครั้นี้มันจะมาตรงประเด็นตรงนี้ว่าพระพายยะพระพายยะเนี่ยเป็นผู้ที่มีตาทักคะได้รับ แต่งตั้งเจ้พุทธเจ้าให้เป็นเอกลัะในการมรรู้ธรรมได้เร็วที่สุดนะา ม, ามาฟังทำอย่างพระเจ้าให้พระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังขอสามครั้งนะพระเจ้ายังไม่ก็เริ่มแสดงในครั้งที่สามบอกว่าเออเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ า, ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจากไม่มีในโลกนี้ท่านจากไม่มีในโลกหน้าท่านจากไม่มีโลกในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละ เพระพ่ายยาได้ฟังนั้นนี่ก็เป็นรู้เป็นพระรหันเลยนะเพราะคําว่าสักแต่ว่าก็คือรู้เฉยๆนั่นเองนะรู้เฉยๆนั่นแหละไม่ให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นนะคำว่ารู้เฉยไม่ค่าก็คือไม่เกี่ยวข้องด้วยไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยนั่นเองนะพอเราไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเขาก็ดับเข้าไปเองได้อยู่แล้วใช่ไหมเหมือนกับเราอ่ะก็คือจริงๆแล้วเราสมมติว่าจิตของเราเนี่ยจิตอะแล้วก็อารมณ์ต่างๆอารมณ์กับจิตมันเป็นคนละตัวกันนะมันไม่ใช่ว่า จิตกับอารมณ์เป็นตัวเดียวกันแต่เป็นคนละตัวนะครั้นี้เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นสมมติเป็นความโกรธเนี่ยพอเกิดขึ้นปับ๊บแล้วเราไปให้ค่ากับเขานะเขามาด่าเราไปให้ค่าปุ๊บนี่จิตมันจะไปจับอารมณ์เลยนะมันกลายว่าอารมณ์กับจิตเป็นตัวเดียวกันแล้วมันจะออกยากมันก็เลยมันก็ไม่ไปเร็วนะมันก็วนในความคิดนั่นแหละแต่ถ้าเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นเช่นมีความกลัวเกิดปุ๊บแล้วเรารู้เฉย ถ้ารุ่ยเฉยเราไม่ไปให้ค่าวเข้าไปเลยนะเขไปทันทีเลยไปเร็วมากเข้ามาพวกก็ไปเลยไปแล้วก็จะผ่านหมดนะคือทุกตัวรมนี่ก็คือแบบนี้ทั้งหมดนะมันก็จะผ่านหมดแค่เราไม่ไปให้ค่ากับเขาเท่านั้นเองเนี่ยคราวนี้คนที่จะมาถึงระดับนี้ได้มันจะต้องมีความเรียกว่ามีสติก่อนต้องรู้จักสังเกตอาการของจิตเป็นเป็นแล้วนะถ้าเราสังเกตอาการของจิตเป็นแล้วเนี่ยเราจะเห็นขณะนี้เรากําลังจะโกรธแล้วนะขณะนี้กาลังจะรักกำลังจะงชัง มันจะเห็นกําลังจ่านะมันไม่ใช่ว่ามันโกรธแล้วมันก็จะเห็นแต่มันเห็นกําลังจ่ายกตัวอย่างว่าความโกรธเป็นเลขห้าก็แล้วกันนะก่อนจะถึงเลข5้าต้องผ่านเลขหนึ่งสสามี่ก่อนก็คือต้องความผ่านความขัดเคืองความงุหงิดความไม่พอใจก่อนแล้วมันค่อยถึงความโกรธเนี่ยใครก็มาด่าแล้วปุ๊บอยู่ดีเราไม่ได้โกรธทีเดียวหรอกแต่เราเห็นอารมณ์ที่มันเป็นเลข1 2 3ก่อนใช่ไหมคราวนี้เมื่อเราเห็นเลข1นึ่าก่อนปุ๊บแล้วมันก็ไม่ถึงเลขห้าอยู่ดีนะสติมันไวเรารู้เฉยมันก็ดับไปเลยมันไม่ถึงเลข มันก็เลขหนึ่งสองแล้วก็รู้แล้วมันก็ดับเร็วนะมันกับไฟกอเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่ขีดมันก็ดับเร็วนะเป็นกองใหญ่มันก็ไฟป่าก็ดับยากเพราะการเจริญสติก็คือเราจะเห็นไเลขหนึ่งสองเนี่ยเลขหนึ่งเลขสองได้ก่อนใช่ไหมมันพอเมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะดับเลยมันไม่ถึงเลขห้าหรอกวิธีการดับก็คือมันรู้เฉยๆมันก็ดับได้แล้วนะโดยวิธีการเนี่ยถ้าห้เรามีความทุกข์น้อยลงนะมีความทุกข์น้อยไปมากนะมันจนเรียกว่ามันอาจจะไม่มีความทุกข์เลยนะ อย่างที่หลวงเทียนนะั่นก็เคยทา้าไนวะ้นั่นแหละว่าผู้ใดที่มาเจริญสติโดยวิธีการอย่างที่หลวงเทียนบอกนะั่นแหละอย่างชายไม่เกินสามปีนะความทุกข์จะน้อยลงเลยจะหมดไปในที่สุดก็คือแบบนี้นั่นเองนะก็คือเราไม่เข้าถึงความทุกข์นั่นเองเพราะเราเห็นว่าความทุกข์มันลอยอยู่ข้างหน้าแต่เราไม่ได้เข้าไปในตรงนั้นเพราะมันดับไปซะเองแล้วก่อนเนาะมันรู้ทันมันก็ดับไปเลยนะเลขหนึ่งสองมันก็ดับแล้วลนะ่ะใช่ไหมมันไม่ได้ค้างในใจเรานานเหมือนสมัยก่อน แต่ถ้าใครไม่มีส ต, ติมันค้างนานแล้วนะ เ, ออเข้ามาด่าเราเนี่ยมันจะโกรธเป็นวันหรือบางทีหนักนั้นกลายเป็นความอาฆาตเป็นพยาบาทเป็นปีอ่าเป็นตลอดชีวิตก็มีใช่ไหมตรงนี้มันอันตรายมากนะเราโกรธเขาเนี่ยคนที่ทุกข์ก็คือเรานนั่นเองไม่ใช่ว่าเราไปไม่ใช่คนที่เราโกรธเขาทุกข์หรอกแต่เราเนี่ยเป็นคนทุกข์เองโกรธใครเราก็ทุกข์เองนะรักไม่แต่รักใครเราก็ทุกข์เองนะรักใครนี่ยก็คือความทุกข์นั่นเองนะเพราะความรักมันก็ไม่เที่ยงนะ เราต้องรู้ทันทั้งความพอใจและความไม่พอใจเมื่อรู้ทันแล้วก็รู้เฉยๆก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่เกิดความยินดียินไลในลมทั้งหลายขึ้นมันก็เป็นกลางๆเป็นกลางๆเป็นปกติเป็นธรรมดาไปนะความเป็นปกตินี้มันไม่ใช่ว่าไปทําขึ้นมาได้แต่เป็นอาการที่เรียกว่าเรารู้ทันรู้ทันแล้วมันจะเป็นกลางได้เองนะอ่ามันจะไปทําให้ปกติไม่ได้หรอกแค่เรารู้ทันรู้ทันในวัรู้เฉยๆแล้วมันจะเป็นปกติได้เองนะความทุกข์ต่างๆก็จะหมดลงไปอย่างรวดเร็วเข้ามา เพราะมันเป็นการวิธีการหลงมัทเหียนวิธีการเจริสิกมันเป็นการย้อนกลับมาย้อนกลับมารู้สมุทยัยหรือต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายว่าความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากความคิดเรานั่นเองความไปปรุงไปแต่งไปในอารมณ์ต่างๆการที่เรามันหลงก่อนนะหลงไม่รู้ไม่ทันคำคำว่าหลงหรือโมหะก็คือรู้ไม่ทันความเป็นไปของกายและใจในปัจจุบันนั่นเองเมื่อหลงแล้วมันเกิดอารมณ์ต่างๆมีความโกรธความหลง ความโลภความโกรธความหลงต่างๆตามมาเป็นต้นเพราะเกิดจากการที่เรารู้ไม่ทันนั่นเองนะแต่เมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่หลงนะมันก็ไม่หลงมันก็ความทุกข์เลดับไปนั่นเองนะอย่างที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนนบอกว่าให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ก็คือตรงนี้นั่นเองหลงทั้งหลายมันก็นําให้เราไปสู่สมุทยัยหรือต้นเหตุของความทุกข์เมื่อเปลี่ยนเป็นรู้แล้วมันก็เลยกลายเราไม่ทุกข์เองกลายไม่ทุกข์เป็นเองเพราะฉะนั้นนี้เราก็เริ่มต้นจาก การที่เราสามารถที่จะรู้กายรู้ใจในปฏิบัติได้ไหมดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดได้ไหมแต่นี้ตัดคาว่าใจนึกคิดไปก่อนนะให้ใหม่ๆถ้าใครที่ไม่ใหม่ๆก็บอกว่ารู้กายเคลื่อนไหวได้ไหมรู้รู้ก็รู้แบบเล่นๆรู้แบบรู้แบบไม่เพ่งนะรู้แบบไม่เพ่งรู้แบบไม่ได้รู้ยาวรู้แบบไม่ไปประคองไว้รู้แบบไม่ให้เข้าจิตสงบนะแต่รู้ไปตามความเป็นจริงนั่นเองนะ รู้ตามคำทจริงๆก็คือเราเรารู้เป็นภาพรวมๆก็พอเป็นภาพรวมรู้หลอมหลวมนะหลอมหลวมอย่าไปอย่าไปแนบแน่นกับเขาเกินไปนะรู้หลอมหลวมรู้แบบเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูอย่างบางที่เรายกมือเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูมันก็ดูแบบสบายๆใช่ไหยเออมันกลายเป็นเราดูแบบสบายๆไปเลยนะโดยจกกลเหมือนกันแล้วก็เราก็จะกลายเป็นผู้ดูแบบสบายๆไปนะพอเป็นไปสดูเป็นผู้ดูแล้วมันจะเป็นผู้รู้ไปในตัวนะ เพราะนั้เราไม่ได้เข้าไปเป็นนะไม่ได้เข้าไปเป็นถ้าเราเข้าไปเป็นแล้วมันจะแนบแน่นนะแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูมันจะห ล, ลวมเหมือนกับเราดูคนอื่นนั่นแหละนะเราดูคนอื่นเราดูคนอื่นเราก็ไม่ไม่ได้เป็นเขาเราก็ดูสบายๆเขาจะ เ, เร็วเขาจะดี ieß, เขาจะหลงเขาจะคิดเขาจะโกรธมันก็เป็นเรื่องของเขาเองนะมันกลายมาเราดูแบบหลวมไปนะมันก็เลยสบายขึ้นมานะถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็เห็นว่าเออไปบัตรทำมก็ง่ายนิดเดียวมันไม่เป็นยากอะไรหรอก เพราะมันแก้บะลมแค้มนะมันกลายว่าไม่เราไม่ทรมานในการแก้บะลมไม่ว่าปฏิบัติเข้มแล้วมันต้องมาทรมานก็ไม่ใช่แต่กลายว่าเราอยู่กับปัจจุบันได้แต่ละขณะแต่ละขนาดเราอยู่แบบสบายๆมีความสุขไปวันๆหนึง่งเพราะการปฏิบัติธรรมยังไม่เป็นเรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเคร่งเทียดหรือเป็นความทุกข์แต่อย่างใดนะแต่กลายว่าเราอยู่แบบสบายๆเออหลงมั่งรู้มั่งรูปบะลมหลวมสบายๆนั่นแหละไม่เอาจริงเอาจังมากไม่ต้องไปคอยประคองเขา หลงไปก็ไม่เป็นไรกลับมารู้ใหม่นี่แหลมันได้คะแนนทุกๆครั้งเลยเนาะเนี่ยความทุกข์ก็จะค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงแล้วเราจะเริ่มที่จ ะ, ะเคยชินในการที่ว่ากายเคลื่อนไหวใจรับรู้มากขึ้นใช่ไหมพอเราเคยชินอันนี้แล้วเราสามารถที่จะอยู่ทุกๆแห่งได้นั่นคือการเจริญสติได้ทุกๆแห่งนะเพราะการเจริญสติก็คือไม่ได้ทําที่วัดไม่ได้ทําที่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าทําที่กายและใจของเราเท่านั้นเองเนา ะ, ะเพราะนั้นในโอกาสสุดท้ายนี้นะ แลวก็ขอรัตนาบารมีคุณพระพัทธนาตัยให้ทุกท่านผะสศความสำเร็จในการเจริญสติให้มีสติมีปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพาทุกท่านเถิดเต็มตกับ